89.5 เม h ะเเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตคลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอ ม, คอมทุเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่โดยปอนชัยจันทร์รัสมิพแสงคลิกใ่ให้มาตรงกันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 เม z สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Comtoday Radio โนะครับทาง FM 89.5 MHz นะครับวันนี้อยู่กับพี่มิงค o m ทูเดย์นะครับพรชัยจันทร์สุปรแสงนะครับประจําวันดังคารที่29ตุลาคม 2,562 นะครับก็ ไม่อยากใช้คํานี้ในแท้จริงพูดบ่อยมากคือเพิ่อแป๊บเดียวผ่านไปเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งนะฮะแต่อันนี้ต้องใช้ว่าเพิอปป๊บเดียวจะสิ้นปีกันอีกแล้วนะครับก็ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเทศกาลใกล้วันฮาโลวีนเนาะเพราะฉะนั้ น, น, น, น, น, นยังไงก็เตรียมตัวไปเที่ยวกันแต่ยังไงก็ต้องเที่ยวอย่างมีสติแล้วก็ต้องรู้จักใช้เงินให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุดนะครับวันนี้พี่มิ้งมาพร้อมกับเรื่องของยูทูบเบอร์นะฮะแต่ว่าปกติเนี่ยเวลาเราพูดถึงยูทูบเบอร์เนี่ย เราก็จะนึกถึงเด็กๆว้รุ่นหรืออะไรแบบนี้นะฮะที่จะมาเป็นยูทูบเบอร์แต่วันนี้เราจะมารู้จักกับ4ยูทูบเบอร์วัยเก่าที่จะอินสปายชาวเซนีอ่ะชาวเซนีคืออะไรก็คือผู้ผู้ใหญ่นิดนึงสอวอสูงว <c> ัย <oughs> นะฮะก็มาดูซิว่าทั้ง4ยูทูบเบอร์ที่พี่มิ้งจะนำมาแนะนำวันนี้เนี่ยทำไมถึงต้องเลือกมาแนะนำนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่า ยูทูบเบอร์ยูทูเนี่ยไม่ใช่ยูทูบเบอร์เนี่ยคือหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมมากที่สุดที่ใครๆจะต้องเปิดดูเพราะว่า y o u t u เนี่ยถือเป็นแหล่งรวมวิดีโอจากทั่วทุกมุมโลกที่มีทั้งสาระความรู้และก็ความบันเทิงให้ทุกคนได้ติดตามนะฮะและแน่นอนนะครับว่าวันนี้พี่หมิงก็จะมีช่องที่อยากจะแนะนำให้ดูว่าเออสี่ช่องนี้ว่ามีอะไรบ้างแต่ครั้งนี้เรามาดูว่านะฮะว่ายูทูบเบอร์วัยเกษียณกันหน่อยว่ามีใครที่ น่าสนใจกันบ้างที่เราจะจดกด s u b s ไคล b ับสก็คือกดติดตามนะฮะเรื่องราวมันบ้างนะครับ YouTube ตัวเนี้ยมีอะไรบ้างอย่างที่บอกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทั้งไอพีดูสิฟังทั้ง4 y o ยูทูบเบอร์กันเริ่มต้นจากยูทูบเบอร์แรกนะครับเป็น Kevin and เลลสนะฮะ K-E-V-I-N แล้วก็ Ad, ปกติ A-N-D-L แล้วก็ L-I-D-L นะ v i วินแอนเลลส์นะฮะคุณยา่า l e ล s นะฮะหรือที่ใครๆต่างก็เรียกว่า g กล n m a r l ลส s เนี่ยเธอทำวิดีโอลง youtube ร่วมกับหลานชายที่ชื่อว่า Kevin's อยู่เป็นประจำนะฮะเรื่องราวของ l ลลสเนี่ยในช่องของ Kevin แ a l เลลเนี่ยมีหลากหลายสไตล์ทั้งสไตล์การใช้ชีวิตการทำอาหารหรือขนมกินกันเองกับหลานหรือที่น่ารักสุดๆก็คงเป็นเรื่องที่เธอสอน everyday makeup ท utorial สำหรับวัยเก่าก็คือการแต่งหน้าสำหรับผู้ใหญ่อย่างเธอนะฮะและตอนนี้ช่องของเธอก็มีคนกด subscribe มากกว่า500 0คนทีเดียวนะฮะไม่ธรรมดาเลยนะฮะก็จะเห็นว่าผู้สูงวัยหรือผู้ใหญ่อย่างเราหลายๆคนเนี่ยนะฮะผู้ผู้ใหญ่เนะะี่ยแทนที่จะไปนั่งนอนจับเจ้ากับความทุกข์หรือว่าความ สุกๆอยู่เบื้องหลังเนี่ยลองเดินไปข้างหน้าแล้วทำอะไรแบบนี้ก็สนุกดีนะครับมาดูช่องที่2บ้างนะครับช่องที่2เป็นของ Elder Gym Senior Fitness นะฮะ e l d e r แล้วก็ Gym ก็คือ j g y m นะฮะซีเนีย e ิ s e นสนะฮะร์ดินะฮะหนึ่งในช่อง YouTube ที่ถูกทำขึ้นมาเพื่อคนวัยเก่าที่ต้องการความแข็งแรงสำหรับคนที่กำลังมองหาแนวทางการออกกำลังกายสำหรับคนสูงวัย ช่องนี้คือช่องที่เล็กวาน่าจะเป็นคําตอบของคุณเลยนะฮะซึ่งจ o ห์นคินะฮะเขาคือนักกายภาพบําบัดวัยเกษียณที่แม้จะอายุมากแต่ร่างกายเขากลับไม่ได้ลุ่งรวยไปตามวัยเลยนะอายุเป็นเพียงตัวเลขที่นี่คุณจะได้เรียนรู้การออกกําลังกายอยู่ที่บ้านง่ายๆเพียงทําวันละไม่กี่นาทีคนวัยเก่าอย่างคุณก็มีร่างกายแข็งแรงได้แล้วอ่าอันนี้เขาเรียกว่าคนนี้เข้ามาแนวออกกําลังกายคนแรกเข้ามาแนวแบบ ชิวๆแต่งหน้าเป็นผู้หญิงนะฮะมาดูคนที่3กันบ้างนะฮะอันนี้เป็นโคเรียแกนมากอ่ามาทางสายเอเชียนบ้างนะฮะมาทางเกาหลีบ้างนะครับสาวเกาหลีใต้นะฮะปาร์คมินรียูทูบเบอร์ที่มีคนกดติดตามมากกว่าหนึล้านคนนะฮะใครชอบดูวิดีโอเพลินๆเราขอแนะนําเธอคนนี้เลยนะฮะเรื่องราวของเธออัปโหลด u t u b e ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวในชีวิตประจําวันของเธอในวัยเจ ฟังดูแล้วอาจจะไม่ค่อยน่าติดตามสักเท่าไหร่นะฮะสหรับคนวนัยนี้แต่ถ้าคุณได้ลองเข้าชมวิดีโอเธอแล้วรับรองว่าคุณต้องติดตามแน่นอนเพราะว่าเธอทําทั้งเมคอัพチュริ่งเรียลการทําอาหารการดูแลตัวเองในวัยเกษียณคือพูดง่ายว่าทําทุกสิ่งอย่างที่คนวัยเกษียณควรจะรู้และก็นําเสนอออกมาในรูปแบบที่สนุกสนานและน่าสนใจนะครับอันนี้มา3คนและก็อย่างที่บอกนะครับว่าคนในวัยนี้เนี่ยนะฮะ บางทีถ้าเราไม่เปิดรับอะไรใหม่ๆเข้าบ้างเนี่ยเราจะนึกถึงแต่เรื่องเก่าๆนะฮะก็ก็ควรจะฟังเรื่องราวสิ่งเหล่านี้กันบ้างนะฮะก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีมาดูคนสุดท้ายนะครับอันนี้มาสายผู้ชายบ้างแกลนอิลัสเอ่ออ่านว่าอะไรนะแกลนอิลูชั่นอิลูชั่นแกนอิลูชั่นนะอิลูชั่นแกลนก็ตรงตรงจีอแกลนแล้วก็ I-L-U-S-I-O-N-S นนะฮะ ทิมโรวิสหรือว่ายูทูบเบอร์ที่รู้จักกันในานามของช่องแกลนอิลูทัสนะครับเขาคือนักสะสมของเล่นตัวยงถ้าใครเห็นทรอยแฟรแล้วแล้วก็ต้องไม่พลาดช่องนี้เลยเขาจะทำวิดีโอรีวิวของเล่นที่แปลกและน่าสนุกสนานที่เขาสะสมมามากกว่า30ปีซึ่งของเล่นทั้งหมดนะครับที่เขามีมากกว่า 20,000 ชิ้นเลยทีเดียวความแปลกใหม่ของคอนเทนต์เขานี่แหละที่ทาให คนติดตามเขามากกว่าหนึ่งล้านคนเลยตอนนี้อ่าอันนี้เขาเรียกว่ามาแนวที่ <c oughs> เอาสิ่งที่ตัวเองสะสมเนี่ยมาบอกเล่าแล้วก็ให้ทุกคนได้แบ่งปันความสนุกสนานความตื่นตาตื่นตื่นใจนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวพี่มิงถึงไวัเกษียเมื่อไหร่เดี๋ยวจะทำแบบนี้บ้าง <c oughs> แต่ตอนนี้ก็ทําอยู่นะครับสามารถที่จะลองดูกําลังใจดีๆและก็ทิปเทคนิคดีๆที่พี่มิงสรรหามานําเสนอทุกวันนะฮะจันถึงวันอาทิตย์คือเจอกันทุกวันเลยทาง Facebook ของพี่มิงเองนะฮะก็ Mingcom Today หรือจะไปเฟซส่วนตัวก็ได้พี่มิงคอมจูเดย์ได้หมดทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะเจอเจอกันได้หมดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเบรกต่อไปยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องที่นํามาฝากกันแต่คิดว่า4ยูทูบเบอร์ที่นํามาฝากวันนี้น่าจะเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็น่าจะเป็นคอนเทนต์ที่หลายคนอาจจะแนะนําให้เราไปติดตามดูละกันนะครับสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยายลายยัา ย, า ย, า ย, ลายแห่งนวัตกรรม I am duty moving towards innovative university. Climbing, climbing, ไ ม, ไ, ไม่ต้องการขงเกี่ยวไม่ออกไปเที่ยวเบียอคนมากพอเจอเธอเข้าก็ทำยากจังที่เคยตั้งใจ คนดี แล้าวใจก็เธอดึงดูดขนาดนี้ยิ่งได้ใกล้เธอคนดียิ่งมีใจเธอมากทุกว่ามากเธอแล้วใจจะมีเสียงเพลงให้ใ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 เปิดบริการตั้งแต่8โมงเช้าถึงบ3โมงจนถึงสุขโทร025493043หรือที่ www.lotus.rmutt.ac.th มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบรุรีขอเชิญชวนนักศึกษาบุคลากรและผู้ที่สนใจ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 สอบถามเพิ่มเติมที่02 549 3653คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกใจให้มาตรงกันที่วิทยุราชมงคลทัญบุรี FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์ เรกนี้นะครับเราจะมาฟังกันถึงเรื่องของจีนกับเทคโนโลยี AI นะครับหลายคนก็คงรู้จักกับเทคโนโลยี AI กันมาดีแล้วนะครับก็เชื่อว่าทุกวันนี้หลายคนคงจะจับตา มองจีนในด้านความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีนะครับหากใครที่อยู่ประเทศจีนหรือเคยไปเที่ยวเมืองจีนจะรู้สึกเห็นการเปลี่ยนแปลงของจีนในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะด้านความก้าวหน้าของเรื่องเทคโนโลยีและความสะดวกสบายของชีวิตบอกได้เลยว่าทั่วโลกมีอะไรที่ใช้กันจีนก็มีของตัวเองทั้งหมดนะครับโดยคนจีนไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองขาดอะไรนะครับวันนี้พี่มิงก็จะขอเล่าสู่กันฟังกับเทคโนโลยีไ RI AI ของจีนว่าเป็นยังไงและปัจจุบันเนี่ยจีนเขาใช้เทคโนโลยีนี้อย่างไรบ้างนะครับหากกล่าวถึง AI เนี่ยมันก็ย่อมาจาก artificial intelligence นะครับเป็นเทคโนโลยีที่ใช้คุณนยนต์หรือว่าระบบปฏิบัติการที่ฉลาดหลักแหลมเข้ามาวิเคราะห์เก็บข้อมูลแทนที่คนจริงๆการมาของเทคโนโลยีใหม่นี้นะครับเหมือนการอัปเกรดเทคโนโลยีของโลกขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะฮะดังนั้นบรรดาประเทศมหาอำนาจต่างๆที่ต้องการ มาเป็นผู้มีอำนาจหรือเป็นผู้นาของโลกต่างก็เริ่มกระจนเข้ามาในส่วนของเทคโนโลยีตรงส่วนนี้นะครับจากสถิติของ Link in Data นะฮะ Link in นะ Link Link d Link Ed i n in Ed นะ Data ร า, ายงานว่าในระดับความสามารถของเทคโนโลยี AI บนโลกนี้ผู้นำสามอันดับแรกนะฮะมีใครบ้างมีอเมริกามีจีนอินเดียโดยในภูมิภาคเอเชียเนี่ยมีจีน นำมาเป็นอันดับหนึ่งนนี่ก็แงอยู่แล้วนะฮะโดยปริมาณของบริษัทที่ดำเนินงานด้าน AI นั้นอเมริกามีอยู่ประมาณ 1,393 บริษัทส่วนจีนมีอยู่383บริษัทนะครับความต่างของจำนวนบริษัทที่ดำเนินงานด้านเทคโนโลยี AI ระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ย ก็ถือว่ายังค่อนข้างห่างกันเยอะเนาะแต่หากโฟกัสกันแค่ระดับเอเชียนั้นจีนมีจำนวนบริษัทมากเป็นอันดับหนะึ่งะก็คือ383บริษัทรองลงมาเป็นใครคือญี่ปุ่นนะฮะบริษัทแล้วก็อินเดียมี82บริษัทในทวีปเอเชียมีบริษัทที่ดำเนิน ง, งานด้าน AI อยู่ประมาณ500กว่าบริษัทนะครับการแข่งขันภายในภูมิภาคก็ถือว่ามากทีเดียว ในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับจีนได้ลงทุนกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยี AI AI ที่ปักกินเป็นจํานวนเงิน 2,300 ล้านดอลลาร์แล้วก็ลงทุนประมาณ 5,000 ล้านดอลลาร์ที่เทียนจินนะฮะจัดตั้งศูนย์พัฒนาเทคโนโลยี AI ใน5ปีที่ผ่านมาจีนได้ลงทุนเทคโนโลยีด้าน AI คิดเป็นเป็นมูลค่านะฮะ 50% ของด้านการลงทุน ด้าน AI ของทั้งโลกนะครับโดยทางการจีนนั้นประเมินว่าหากเติบโตในอัตราเร็วระดับนี้ปีหน้าหรือประมาณ2020เนี่ยจีนจะมีระดับความสามารถด้าน AI เทียบเท่ากับอเมริกาโดยจีนนะมี3บริษัทใหญ่เป็นผู้แทนหรือเป็นผู้นำตัวแทนของจีนก็คืออาลีบาบาไปตู้แล้วก็เทนเซ็นนะครับโดยมีการประเมินและคาดการเพิ่มเติมว่า บริษัท3ยักษ์นี้แหละฮะจะสามารถต้านทานและเทียบเท่ากับบริษัท Facebook Google และ Apple และก็ a เมซอจากฝั่งอเมริกาได้ที่มีการประเมินการช่นนีนะครับเพราะว่าจีนมีฐานที่ดีทั้งทางด้านแข็งแกลงเขาเรียกไอทีที่แข็งแกลกนะ่ยแล้วก็บุคลากรเฉพาะทางแล้วก็แน่นอนเนะี่ยมีเงินมหาศาลนะครับ รายการคอมจูเดย์สนับสนุนรายการโดยบริษัท ARIP จำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีมหาวิทยาลัยนัปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม Slide. Uh -huh. เธจคิดถึงฉันไห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 ด้านหนในเรื่องของการวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องจีนกับ AI ก็คือมีการวิเคราะห์ถึงแม้ว่าจีนจะลงทุนมหาศาลและมีบริษัทมากไปอันดับหนึ่งของเอเชียการ น, นั้นก็ยังล้าหลังอเมริกาอยู่มากนะครับญี่ปุ่นประเมินขีดความสามารถด้าน AI ของจีนอยู่ที่17เต็มร้อในขณะที่อเมริกาเนี่ยอยู่ที่33เต็มร้อประเทศจีนในด้านการเก็บข้อมูลและตัวเลขนาอเมริกาแต่ด้านเทคนิคเครื่องมือการวิเคราะห์และการนํามาใช้งานยังคงล้าหลังอพอสมควรนะคร ครั้งนี้เทคโนโลยี AI ของจีนที่ถูกนำมาใช้แล้วประสบความสำเร็จอย่างสูงก็คือ <c oughs> ด้านความมั่นคง <c oughs> ตามหาคนหายแล้ว <c oughs> ก็ด้านความปลอดภัยยกตัวอย่างเช่นเมื่อ 2-3 สเดือนก่อนนะครับปีข่าวบอกว่าตำรวจจีนใช้เทคโนโลยี AI เพียงครั้งเดียวสามารถหาเด็กที่หายไปเมื่อ10ปีก่อนได้พร้อมกันถึง4คนนะฮะก็ถือว่าเป็นความสาเร็จครั้งแรกของจีนนะฮะ เด็กายไปหลาย10ปีได้กลับคืนสู่บ้านของตัวเองได้อย่างง่ายดายซึ่งถือว่าตรงนี้เป็นการใช้เทคโนโลยีที่เกิดประโยชน์จริงๆนะฮะซึ่งที่ผ่านมานะครับทำได้ยากมากสําหรับกรณีแบบนี้เนื่องจากว่าขนาดประเทศที่ใหญ่และประชากรที่มหาศาลเพราะฉะนั้นคนจีนจํานวนมากหาบ้านตัวเองหรือพ่อแม่ที่พัดพรากทางชีวิตก็คงเป็นเรื่องยากที่จะเจอนะฮะเพราะฉะนั้นถือว่าการทําแบบนี้ก็ถือเป็นความสําเร็จและก็ช่วยให้เกิดความมั่นค ง, งของประเทศมากขึ้นนะฮนะระบบ AI ที่จีน ที่ตำรวจจีนใช้เป็นบริษัทของบริษัทเทนเซน์นะฮะโดยการประเมินผลข้ามอายุของคนซึ่งมีความมั่นยำถึง 99.8% นะฮะตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จนี้มาจากกรณีตำรวจในมณฑลเสฉวนที่ตามหาเด็กที่ถูกลักพาตัวไปกว่า10ปีกลับมาโดยจากตัวอย่าง10คนปัจจุบันนี้หาพบแล้ว7คนโอ้โหเจ๋งมากในตัวอย่างส่วนใหญ่นะฮะเด็กที่หายไปมีตั้งแต่อายุ3ขวบไปจนถึง5ขวบพ่อแม่ของเด็ก เ, เขาก็เอาภาพของเด็กมาให้ตำรวจที่มีรูปเก่าๆเพียง1นถึงสใบเท่านั้นบางรูปก็ไม่ชัดนะฮะสำหรับการใช้เทคโนโลยี AI ในการตามหาคนหายไปหลายสิบปีเนี่ยถือเป็นความสาเร็จทั้งประเทศจีนเองหาเด็กที่ถูกลักพาตัวกลับมาให้พ่อแม่ทแท้แทงตัวเองได้มากกว่า6000คนนะฮะแต่ระบบนี้ยังไม่ครอบคลุมทั้งประเทศก็ถือว่าก็ยังได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนแต่ในอีกแง่มุมหนึง่งก็มีคนคิดว่าระบบ AI เนี่ยมีการ ถือว่าเป็นภัยคุกคามแฝงอยู่เช่นกันโดยเฉพาะด้านความปลอดภัยส่วนบุคคลนะฮะก็คือทั้งนี้นะฮะาเอาไปใช้ในที่ถูกที่ทานเขาเป็นประโยชน์อย่างมากต่อสังคมและประเทศปัจจุบันนะฮะบริษัทชั้นนำของจีนได้เริ่มนำเอา AI เข้ามาใช้ในการสแกนใบหน้าต่อบัตรแล้วก็เข้าออกตึกออฟฟิศจีนเองมีเทคโนโลยีด้านไอค่อนข้างแข็งแกร่งนะฮะแล้วก็เติบโต แล้วก็ถือว่าพัฒนาเร็วมากนะฮะจากพื้นฐานของกลยุทธ์พัฒนาอินเทอร์เน็ตนะบวกของรัฐบาลจีนได้ต่อยอดกันพัฒนาต่อไปอีกหลายอย่างนะฮะทางนี้ในด้านการวิจัยและออกเปเปอร์ของจีนก็มีเยอะขึ้นไปเรื่อยๆโดยมหาวิทยาลัยชั้นนําของจีนอย่างมหาวิทยาลัยชิงหัวมหาวิทยาลัยปักกิ่งเนี่ยเป็นหน่วยงานที่นํานำนำที่จะร่วมมือกับรัฐบาลและหน่วยงานภาคเอกชนเพื่อทําการวิจัยเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับ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 อะไรในใจหรือเปล่าทำให้เธอดูซึมเศร้าเมื่อลอยไม่เคยพูดจาทั้งๆ ท, ที่ตัวฉันก็ไม่ได้ทำผิดอะไรเลยนะจะมากลายเป็นเย็นชาหรืออะไรทำให้ใจเธอเปลี่ยนแปลไปอยู่ดีๆก็บอกเราวตามกัน เธอบอกเรายากเกินจะเข้าใจเธอรู้ไหมฉันก็เคยใช้คำเหล่านี้ ว่าเธอน่ะมีใครปิดบังไว้เธอน้าใจเวนกรรมทำไมมาแล้วอย่างนี้ที่รักคนหมดทานจะดึงเธอไว้ ใจเธอมันเปลี่ยนไปฉันก็กลายเป็นแค่เพียงคนเก่าส่วนตัวฉันก็คงต้องยอมรับความปวดร้าวเคยทำกรรมไว้กับเขากลายเป็นเธอมาเอาคืนให้ยันสาสมอยู่ดีๆก็บอกเล้าต่างกันมา บางทีก็บอกเราแยกเกิดจะเข้าใจเธอรู้ไหมฉันก็เคยใช้คำเหล่านี้ เธอน่ามีใครปิดบงไว้เธอนอใจ t ้ำยันชาจะเชิ n ว d นนี้เธ m จเหมือนวนเธอนบ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 เชิญที่วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีติดต่อสอบถามหรือปรึกษาฟรีโทร02 592 1999มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีร่วมกับชมรมกอล์ฟราชมงคลและสมาคมสิทธ์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลราชมงคล ประจำปี2562ในวันอาทิตย์ที่17พฤษจิกายน2562นาสณสนามวินเซอร์พาร์คแอนด์กอฟคลับถนนสุวินทวงศ์กรุงเทพมหานครไรายได้สมทบทุนร่วมสร้างหอพระพุทธพิริยะมงคลพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีส่งเสริมสวัสดิการมหาวิทยาลัยสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ 025493680-1 และ0818668591 เดวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ฟลิกไปให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 8 9 5เมกะเฮิรตกลับมาต่อนะครับจีนเองก็ได้วางแผนการพัฒนาเทคโนโลยีเอไสู่อุตสากรรม ต่างๆอย่างชัดเจนนะฮะอย่างในช่วงเริ่มต้นการวางแผนพัฒนา11อุตสาหกรรมมีอะไรบ้างมี1การผลิตอัจฉริยะ2การเกษตรอัจฉริยะ3โลจิสติกอัจฉริยะสการเงินการธนาคารอัจฉริยะ5การค้าที่อัจฉริยะ6เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ7การศึกษาอัจฉริยะ8ปุ่นยนต์อัจฉริยะ9เครื่องมือการบรรทุกสินค้าอัจฉริยะและ10นะฮะเทคโนโลยีความเสมือนจริง11การแพทย์อัจฉริยะนะฮะ จะเห็นว่าการพัฒน า, นาของจีนในด้านต่างๆเป็นไปอย่างรวดเร็วมากมายนะเช่นเรื่องขอ ง, ส, งสังคมไร้เงินสดจีนใช้เวลาเพียง3ปีนะปัจจุบันสังคมไร้เงินสดของจีนบรรลุที่เกือบ 90% ธนาคารออนไลน์และแห่งเกิดขึ้นและไม่มีการเปิดส า, ดสาขาะะมีแค่การบริการออนไลน์เท่านั้นนะก็คือไม่ได้เปิดเป็นสาขาจริงๆ ะ, ะบริษัทและหน่วยงานภาคเอกชน จีนมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วเทคโนโลยี Technology AI กลายเป็นเทรนด์ใหม่ของการพัฒนาโอกาสของผู้ที่เริ่มก่อนจะมากกว่าดังนั้นผู้ประกอบการด้านนี้จึงมีมากนะจึงมีมากอย่างขึ้นอย่างรวดเร็วโดยทุกคนมองว่าเป็นอนาคตแล้วก็เป็นโอกาสที่ทุกคนก็พยายามควายควานะฮะฟังันถึงตรงนี้ก็จะเห็นว่าจีนเขาโอ้โหแบบ เล่นกันสุดฤทธิ์กับเรื่องนี้ซึ่งมันก็สอดคล้องกับอีกเรื่องนึงที่บอกว่าจีนแซงสหรัฐก้าเป็นแหล่งเพาะบริษัทยูนิคอร์อันดับหนึ่งของโลกนะฮะอันนี้เป็นรายงานข่าวจากช็อปเซาล์ไชน่า Morning Post นะฮะรายงานไว้เมื่อช่วงกลางกลางตุลานะฮะจีนเขาบอกว่าจีนกลายเป็นแหล่งที่ตั้งของบริษัทยูนิคอร์นะะบริษัทยูนิคอร์ก็คือบริษัทที่แบบเทคโนโลยีที่แบบโอ้โหแบบน้องใหม่แล้วก็เป็นอะไรที่มันดูแบบโอ้โหพรีเมียมจริ ง, รงๆนะฮะ ซึ่งตรงนี้ก็หมายถึงบริษัทสตาร์ทอัพที่มีมูลค่าเกิน 1,000 พันล้านดอนลลาร์ขนาดใหญ่อันดับแรกของโลกนะฮะอันนี้เป็นรายงานอย่างที่บอกก็คือเซา t h เซา n a ไชน่ามอร์นิงโพสต์นะระบุว่าจีนมีบริษัทยูนิคอร์ทั้งหมด206แห่งนะฮะแซงหน้าสหรัฐที่มี203แห่งโอ้โหเฉือนกัน 3, 3แห่งเลยตามมาด้วย India วาาอิอานเดีย21แห่งแล้วก็สหราชอาณาจักรสแห่งและเยอรมนี7แห่งนะฮะ ซึ่งแม้ว่าจีและสหรัฐมี GDP คิดเป็นร้อยละ50และมีประชากรรวมกันเป็นจํานวนหนึ่งใน4ของโลกอย่างไรก็ดีนะครับมีบริษัทยูนิคอน ร, ร่วมกันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ80ของโลกประเทศอื่นๆก็ควรหันมาใส่ใจกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะ ก, กับการสร้างบริษัทยูนิคอรนรให้มากขึ้นด้วยนะฮะอันนี้ก็คงรวมถึงเมืองไทยด้วยนะฮะรายงานนะครเปิดเผยว่าปัจจุบันมีบริษัทยูนิคอรนรอยู่ใน24ประเทศทั่วโลกและมีมูลค่า รวมราวกว่า 1.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 51.5 ล, ล้านล้านบาทไปใช้ล้านบาทนะล้านของล้านเนะอะเดี๋ยวจะมาฟังต่อในเบรกต่อไปครับรายการคอมจูเดย์สนับสนุนรายการโดยบริษัท a r i p จำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลคัญบุรีมหาวิทยาลัยนัปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในใจของฉันว่ารักเธอรัก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 And Financial Service กนะับ ByteDance and d ี d ชูงซิงนติดอันดับต้นของรายงานหูรุ่นเนะี่ยคือรายงานชื่อหูรุ่นเะนี่ยด้วยมูลค่ารวมกัน 2.8 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 8.4 ล้านล้านบาทนะฮะทั้งนี้มหานครปักกิ่งได้รับการขนานนามให้เป็นนครหลวงแห่งบริษัทยูนิคอนนะครับโดยมีบริษัทยักษ์82แห่ง ตามมาด้วยเมืองซานฟรานซิสโกจํานวน55แห่งและเซี่ยงไฮ้จํานวน47แห่งนะฮะก็ถือว่าเป็นข่าวที่น่าสนใจดีเียวนะฮะก็ต้องบอกว่าด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็ว25ปีจีนกลายเป็นบริษัทเจ้าเก่ายอินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็วความสําเร็จในการพัฒนาที่สําคัญของประเทศในช่วง25ปีที่ผ่านมาก็คือข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะฮะการขยายของจํานวนเน็ตของจีนพุ่งขึ้นสูงสุดของโลกในปี2 พศ2551นะฮะโดยมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตรวม245ล้านคนในเดือนมิถุนายนของปีนั้นนะฮะซึ่งตอนท้ายของปี2 0 1 8เี่ยจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทะลุไปที่829ล้านคนโดยมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตใหม่ในปีนั้นสูงถึง 56.53 ล้านคนนะฮะ แล้วผู้ใช้เน็ตโดยมือถือ817ล้านคนเพิ่มเป็น854ล้านคนในเดือนมิถุนาปี2019นนะฮะแล้วก็โดเมนระดับบนสุดที่ใช้รหัสภาษาจีน .cn น ะ, ะมีถึง2 1 2 2ิบเอ็ล้านโดเมนในปี2018น ะ, ะนอกจากนี้ประมาณ 1.72 ล้านชื่อโดเมนใช้ตัวผักอักษรจีนน ะ, ะหมายถึงหมายถึงว่าเป็นตัวภาษาจีนเลยนะฮะก็น่าสนใจทีเดียวนะกับการพัฒนาของจีน ก็น่าจะเป็นโมเดลที่เขาเคยเขาเรียกว่าเป็นการคลิกจุดอ่อนซึ่งเคยมองว่าการที่มีคนเยอะๆประเทศใหญ่ตโตควบคุมยากเนี่ยให้กลายเป็นจุดแข็งขึ้นมาในชั่วงคลิปตานีฮะซึ่งถือว่าเป็นเป็นความาฉลาดมากนะฮะก่อนหน้านี้เราก็ <c oughs> คงเคยได้ยินคือลุกมากยากจนแต่ปัจจุบันเนี่ยจีนเขาใช้ข้อได้เปรียบตรงนี้ทําให้กลายเป็นโอกาสทางธุรกิจและโอกาสขอการ ก, ารก้าวเข้าสู่ความเป็นไฮเทค ประเทศไฮเทคอะนะฮะไฮเทคครันทรีไฮเทคแลนด์อะไรแบบนี้นะฮะเมืองไทยเองก็คงจะต้องเริ่มมองหาจุดแข็งเหล่านี้เหมือนกันกันกบการที่จะพัฒนานะฮะแต่ทั้งนี้และทางนั้นนะครับการที่จะพัฒนาได้ก็ต้องได้รับข้อมูลข่าวสารแล้วก็แรงบันดาลใจดีๆนะครับยังไงก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆได้ทางช่องทางที่บอกก็คือเว็บไซต์ aipfan.com หรือจะเป็น comma thailand.com t นะส่วนโซเชียลก็มีของ aipfan กับ เข้ามาแชร์เหมือนกันนะฮะก็ลองไปอัปเดตอย่างที่บอกว่าถ้าก่อนจะซื้อของไปเจอกันที่เว็บคอมม่าหรือถ้าไปซื้อจริงก็ไปที่งานคอมม่าเลยนะส่วนคนซื้อเสร็จแล้วอยากจะใช้อุปกรณ์ไฮเทคทั้งหมดนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและแก้ปัญหาได้ดีที่สุดนะฮะก็ไปที่เว็บ aipfan.com นั่นเองนะครับอ่ะเวลาของสัปดาห์นี้ก็หมดลงแล้วไว้เจอกับพี่ิ้์ใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ รายการคอมทุเดย์สนับสนุนรายการโดยบริษัท a r i p จำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม RMU TT Farm Shop ยินดีต้อนรั บ, รบค่ะ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 เธอก็คงเป็นเพลงรักเพลงหนึ่งที่ฟังแล้วซึ้งใจหากความรักเหมือนหนังสือเธอก็คือเล่มที่ฉันไม่เคยเบื่อจะเปิดอ่านข้างในหากรักคือการเดินทางเธอก็เป็นเดินจุดหมายปลายทาง ไม่ว่าไกลหรือไกลหากความรักคือดวงดาวเธอก็คือดาวดวงนั้นที่ส่องนำทางให้ฉันก้าวไปอาจเป็นหยาดฝนอาจเป็นสายน้ำเย็นที่คอยฉันโลมงใจอาจเป็นความจริงอาจเป็นความฝัน อาจจะคือหัวใจหมื่นพันนี้ยามคำว่ารักสวยงามเสมอโดยความรักที่ได้จะเธอเปลี่ยนชีวิตฉันมากเกินกว่าฝันที่เคยดูมันกลายอีกนิยาม คำนี้ที่ฉันเข้าใจคำว่ารักนั้นคงไม่มีความหมาย้อไม่ใช่มันไปกับเธอถ้าโลกนี้ไม่มีเธอ เจอสักหนึ่งความหมายจริงใหญ่ไม่ว่ารักคืออะไรเธอเท่านั้นที่เป็นทุกๆอย่างและเป็นทั้งหัวใจอมีผ่นนิยามคำว่ารักสวยงามสมาด้วยความรักที่ได้จากเธ อ, เธอ เปลี่ยนชีวิตฉันมากเกินกว่าฝันที่เคยดูมันไกลอีกนยิยมคำว่ารักจะเปล่าเช่นไรแต่คำนี้ที่ฉันเข้าใจคำว่ารักนั้นคงไม่มีความหมายถ้าไม่ใช่เหมือนไป ขอเชิญผสศนิกรชาวไทยร่วมชมนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหายาตราทางชลมาร์เหนืองในพระราชพิธีบ ร, รมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ชมองค์ความรู้พระราชพิธีบ ร, รม ร, ราชาพิเศษผ่านจอ LED ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์อีบุ๊ภาษาไทยอังกฤษและอักษรเบลสําหรับผู้พิการทางสายตาตรการตากับแสงสีเสียงและสื่อผสมสา ม, มิติเสมือนจริงโดยศิลปินนักสแสดงชื่อดังและขบวนเรือพยุหายาตราทางชลมาร์ด้วยเรือพระราชพิธี จาลอง52ลําประกอบการเหรือเฉลิมพระเกียรติและองค์ความรู้ขบวนพยายุหายาตราทางชลมา่าจากอดีตสู่ปัจจุบันชมเรือพัททินังจําลอง4ลำพร้อมสาธิตการเหรือขวนและขอนนอกและครในและการแสดงจากพระสงฆ์นิกรทุกภูมิภาคมาน้ําประกอบแสงสีเสียงและสุดยอดอาหารไทยเลิรส25ตุลาคมถึง11พฤศจิกายน2562 10นาฬิกาถึง22นาฬกาณบริเวณท้อ ง, งสนามหลวงสอบถามเพิ่มเติม1765